น, นี้ก็ไปวันพระเลียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งวันพะนี่เร็วมากแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็นำฟาร์มแก่มาให้เราด้วยคนเราที่แก่ทุกวันชีวิตก็เหลือน้อยลงทุกวันอย่างบทสวมดมนต์เนี่ยทุกเช้าจะมีบทเตือนใจเราทุกวันฟาร์มเกิดเป็นทุกข์ฟาร์มแก่เป็นทุกข์ฟาร์มเจ็บไา้ได้ป่วยเป็นทุกข์าร์มปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ความพัดผ้าก็เป็นทุกข์อันนี้คือความจริงของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นในโลกรธรรมมีลากเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริญมีดินทาทุกคนต้องเผชิญกับสิ่งนี้แน่นอนเราจะวางใจยังไงไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราไปชาวพุทธเราต้องเตรียมพร้อมชาวพุทธดีก็ต้องให้ทานถือศีล แล้วก็ภาวนาคือมีทุนไว้ก่อนถ้เกิดความตายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ถือความตายไม่น่ากลัวสมัยพุทธกาลก็มีพระราชาอยู่คนหนึ่งท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีกรรมเวรไม่มีพระราชาคนนี้มีชื่อว่าพระเจ้าปายาสิเป็นเจ้าเมืองเสตัพยะ เมืองขึ้นเมืองหนึ่งของแกลนโกศนซึ่งมีพระเจ้าปเปเศษที่โกศลเป็นพระราชาพระเจ้าปรรยาศีเนี่ยท่านทดลองทุกอย่างวราชานีไม่มีชาติได้ไม่มีแล้วก็ฝันทงว่าสมณะาาพามเนี่ยโกหกผู้ดใดคนหลงเชื่อเพื่อจะได้ทําบุญให้กับพวกตนแล้วก็พระเจ้าปยาศีก็ท้าทุกคนเพื่อจะมาหักล้างความคิดอันนี้ สมัยนั้นสมณะพามก็ไม่มีใครหกัหกล้างกับพระองค์ได้พูดมาพูดกับพระองค์ก็แพ้หมดพระองค์ก็เลยทันลงจนความนี้ทราบไปถึงพระกุมารกัสปะซึ่งเป็นพระราหันพระองค์ก็เดินทางไปเพื่อจะปราบพระราชาองค์นี้ให้เกิดสมาธิฏฐิคันเจอกันแล้วต้องพูดหวานล้อมกันพระเจ้าไบยาสีเนี่ยก็บอกพระกุมารกัสปะว่าพระองค์เนี่ยไม่เชื่อว่า ชาติหน้ามีชาตชาตหน้ามีแล้วก็บุญบาปมีคือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ะ้ากุบารักษาปะาก็ว่ามคิดอพระ อ, องค์นั้นผิดป้าแล้วก็เลยมีการประลองวาทะกันพระเจ้าปยาศีก็บอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยเคยทดลองบอกให้นักโทษเนี่ยทหารที่ทำชั่วสุดๆนะซึ่งพวกสมณาาพามฟันธงว่าต้องลงนรกแน่นอนเวลาตายแล้วขอให้กลับมาบอกด้วย พ่อองค์บอกว่ายัางไม่มีใครกลับมาบอกพระ อ, องค์เลยเพราะฉะนั้นชันาจึงไม่มีบุญบาปจึงไม่มีพระกุมรการกัสบา ก, ก็ตอบว่านักโทษประหารทันเด็ดขาดเนี่ยเวลาจะลาพระ อ, องค์เนี่ยกลับไปสั่งลาลูกเมียที่บ้านเนี่ยพระ อ, องค์จะยอมปล่อยไปไหมพระเจ้าไปสีก็บอกว่าปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยเดี๋ยวก็หนีไปพระกุมรการกัสบา ก, ก็ตอบว่าฉันนั้นก็ฉันนั้น นักโทษที่อยู่ในรนรกนั้นก็เหมือนนักโทษต้องประหารถึงจะไม่ลืมว่าเคยสัญญาพราะองค์ไว้แต่ก็ไม่สามารถกลับมาบอกได้เพราะทางนรกไม่ปล่อ ย, อยแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมเคยทดลองให้คนที่เคยทำบุญมาตลอดชีวิตที่พวกสามณญาพามฟันธงว่าต้องไปเกิดบนสวรรค์นแน่นอนบอกว่าตายไปแล้ว ถ้าไปสวรรค์ให้กลับมาบอกด้วยจนบัดนี้ยังไม่มีใครกลับมาบอกสักคนหนึ่งพระกุมารกัสปาก็ตอบว่าเหตุที่มาบอกไม่ได้มีสองประการคือหนึ่งเวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์นั้นแตกต่างกันหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับรอปีในเมืองมนุษย์ถึงคนที่ตายไปไปเป็นเทวดาอยากจะมาบอกพระองค์พระองค์ก็ตายไปเท่าทานไปนานแล้วแต่ข้อที่สอง ชีวิตบนสวรรค์ก็เหมือนกับคนที่เคยตกหลุมขี่และมีคนช่วยดึงขึ้นอาบน้ําชําระให้สะอาดแล้วขอถามว่าคนคนนั้นอยากจะตกลงมาในหลุมขี่อีกไหมซึ่งโลกอมนุษย์ก็เหมือนกันซึ่งในโลกของสวรรค์เนี่ยเป็นโลกที่มีความสุขสําราญมากกว่าเมืองมนุษย์เพราะสองประการนี้พวกที่ตายไปแล้วอยู่มาบอกพระ อ, องค์ไม่ได้พระเจ้าบาสีบอกโยมพวยังไม่เชื่ออยู่ดี โยมมีการทดลองเอานักโทษประหารขณะที่เป็นเป็นอยู่มาจับลงหม้อหม้อใหญ่ๆนะแล้วก็หาอะไรมาลัดแล้วก็เอาดินมาพอกแล้วก็ต้มต้มทั้งเป็นเพื่อจะดูว่าวิญญาณออกทางไหนมั่งทุกโยมทดลองดูแล้วเวลาโยมแน่าจนักโทษตายก็กะทอดินออกแล้วก็เปิดดูก็เห็นวิญญาณออกตรงไหนเพราะงั้นโยมก็ยังไม่เชื่อว่า บุญบาปมีชาติหน้ามีพระกุมารกัสป่า ก, ก็ตอบว่ามหาปพิธเวลาที่มหาปพิธนอนหลับแล้วฝันว่าไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่อย่างเพลิดเพลินนั้นมหาเล็กนั่งอยู่ขอถามมหาเล็กเห็นวิญญาณของพระ อ, องค์ไหมพระเจ้าปาสีก็ตอบว่าไม่เห็นนี่ขนาดพระ อ, องค์ยังเป็นๆอยู่ยังไม่เห็นแล้วคนตายจะเห็นได้ยังไง แต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมมีการทดลองเอานักโทษที่จะปาหารมาชั่งน้ำหนักก่อนที่จะแขวนคอก่อนที่นักโทษจะตายเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาแต่พอตายแล้วเอามาลองชั่งดูน้ำหนักกลับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นโยมจึงไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบุญบาปมีพระกุมารขันทบก็ตอบว่าเล็บ ที่กลางร้อนๆย่อมบเบาวัวเหล็กที่เย็นฉันใดก็ฉันนั้นร่างกายคนเราเดีย่ยประชุมกันด้วยธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาบธาตุลมมารวมกันพอนร่างกายแตกดับธาตุเหล่านี้ก็สลายไปด้วยเพราะฉะนั้นาการที่น้ําหนักมากกว่าตอนเป็นจึงเป็นเรื่องธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าปราสิก็ตอบว่า อุบอุบะใม่ของพระพุศลเจ้าก็ดีมีเหตุผลแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าชาติหน้ามีบุญบาปมีว่าแล้วก็พูดต่อไปว่าโยมเนี่ยเคยทดลองปาหารนักโทษแบบแบบปานียคือไม่ให้กระเทือนไม่แต่เนื้อผิวหนังต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่ให้กระเทือนเลยแล้วก็ลองจับนักโทษพลิกหัว ความตะแคงดุกจะดูว่าวิญญาณออกทางไหนก็ไม่เห็นมีอะไรนั้นโยมก็ยังไม่เชื่อว่าบุญบาปมีชาติหน้ามีในโลกสวกรรค์มีพระกุบภะกัสสปะก็ตอบว่าเปรียบเหมือนคนเป่าสังเสียงสังนั้นไพเราะชาวบ้านก็สงสัยว่าเสียงออกมาทางไหนก็มาจับสังพลิกไปพลิกมาแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาความลงบ้างก็ไม่เห็นว่ามีเสียงสัง ชั้นใดก็ชั้นนั้นวิญญานั้นไหลล่องลอยไม่มีการไปและการมาซึ่งไม่อาจจะเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสและ ว, วิธีของพวกโ อ, อ้ก็ผิดวิธีด้วยจึงไม่สามารถเห็นได้หรือรู้สัมผัสรู้ได้เพราะว่าโยมเนี่ยเคยทดลองเคยทดลองเนี่ยประหานักโทษแบบเอามาเฉือนทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อจะดูว่าวิญญาณออกทางไหน แต่ก็ไม่เห็นว่าออกทางไหนท่าโยมก็ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติในโกสวรรค์มีพระกุมารกัสปะ ก, ก็ต้องยกอุบ ม, ม, มาอุบมาอีกว่ามีฤาษีตนหนึง่งได้ก่อไฟไว้แล้วใครลูกศิษย์เฝ้าอยู่ลูกศิษย์นี่ก็เป็นเด็กแล้วฤาษีก็ออกไป ท, ทําธุระข้างนอกแล้วก็กําชับให้เด็กเดี๋ยวดูแลไ ฟ, ไฟดีนะอย่าให้ดับซล้วเด็กก็รับปากแต่ด้วยความโซนของเด็กสักพักหนึ่ง กองไฟก็ดับเด็กก็พยายามหาไม้มามาสีเพื่อติดไฟแต่ทาเท่าไหร่เท่าไหรก่ก็ไม่ติดเพราะเด็กทําไม่เป็นก็เลยหามีดมามาฟันมาผ่าจนไม้เนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังไม่เป็นไฟอยู่ดีเอามาเอาคโคบะตําขกจนละเอียดก็ไม่เป็นไฟฤษีกลับมาก็บอกไอเด็กโง่ก่อไฟไม่เป็นไม่ติดได้ยังไง แล้วก็เก่ะให้ดูซึ่งสิ่งที่พ่อองค์ทำเนี่ยมันผิดมาตแต่ต้นจึงไม่มีทางเห็นวิญ ญ, ญาณได้ซึ่งตอนนี้พระเจ้าบาสีเริ่มเชื่อแล้วเชื่อว่าอุมไมอุมมาอุไมของผู้ขุ์เจ้าเนี่ยมีเหตุผลแต่ว่าโยมก็มีจุดยืนถ้าเกิดโยมหันมานับถือพระรนาไตายโยมก็จะเสียความเชื่อจากพวกกษัตริย์ที่รู้จัก ก, ก, ก, กูบาลกาาษณ์เขตอบว่ามีคนอยู่สี่ย้ำพวกจะพวกแรกเหมือนกองเขวีคงคงยนสองกองกองละห้าร้อยเล่มเกวียนกําลังเดินทางไปทางไกลกองเขวียนกองแรกเดินทางไปก็มีคนมาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีน้ําท่าบริบูรณ์มีอาหารครบไม่ต้องเอาสเปียง์ไปก็ได้กองเกวียนกองนี้เชื่อก็เลยโยนสเียงทิ้งหมดเลยไปตัวเปล่า ผลปรากฏว่าไปข้างหน้าเนี่ยน้าไม่มีอาหารไม่มีวัวที่บรรทุกกองเกวียนแล้วก็คนที่เดินทางเนี่ยตายหมดเลยพัวเชื่อขับยู่ยแย่ของคนข้างหน้าเรอรู้ไว้จริงกองเกวียนที่มากองหลังเนี่ยไม่เชื่อยอมลำบากทุกข์สบียงไปแล้วก็รอตายพอเตรียมพร้อมเรื่องที่สองมีชายคนหนึ่งเทินขี้หมูไว้บนศีรษะแต่ตัวเองคิดว่าเป็นอาหารหมู กระเทือนอยู่นั่นแหละแล้วก็ฝนก็ตกลงมาขี้ขี้หมูก็ไหลมาเหม็นคุ้งทั้งร่างกายหมดมีคนเราบอกว่าดิขี้หมูนะชายคนนี้ก็ไม่เชื่อบอกว่าเป็นอาหารหมูไม่ใช่ขี้หมูแล้วก็เรื่องที่สามมีนักเลงสากาสองคนกำลังเล่นสากากันอยู่คนแรกมีความสุขกับสากาตัวเองจะแพ้ละก็แล้ว ล, ลูกสากาโอบมาที่ปากชายคนที่สองลองเรียนแบบมั่ง แต่ปรากฏว่าส ก, กาบิยาพิทตัวเองเลยตายแล้วเรื่องที่สี่มีชายสองคนเดินทางไปตามทางแล้วก็เก็บป่านได้ทั้งสองคนนี้ก็ถือป่านมาด้วยกันพอเดินไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอฟ้ายชายคนหนึ่งก็ยังไม่ยอมไม่ยอมเก็บฝ้ายยังเก็บป่านอยู่นั่นแล้วก็เดินอีชายคนหนึ่งเก็บฟ้ายทิ้งป่านแล้วก็เดินทางไประยะหนึ่งก็ไปเจอเหล็ก ชายคนนี้ชายคนแรกก็ยังถือป่านอยู่ไม่ยอมเก็บเหล็กชายคนที่สองเนี่ยก็เก็บเก็บเหล็กทิ้งทิ้งไฟแล้วก็เดินไปอีกเดินทางไปก็เจอเจอดีบุกชายคนแรกก็ยังก็ยังเก็บเก็บป่านไม่ยอมทิ้งเนี่ยอ้างว่าถือไหนไหนก็ถือไปแล้วชายคนที่สองก็ทิ้งเหล็กเก็บดีบุกพอเดินทางไปอีกไปเจอเจอเงิน ชายคนแรกทีถือป่านก็จะไม่ยอมทิ้งนะบอกถือมากไกลแนละ้วเราก็ต้องเราก็ต้องถือต่อไปชายคนที่สองก็เก็บเงินทิ้งดีบุกเดินพาเดินทางไปอีกก็เจอทองชายคนแรกก็ไม่ยอมเก็บทองนะอ่าก็เก็บถือป่านอย่างนั้นแหละน่าจะจำนวนมากชายคนที่สองก็เลยทิ้งทิ้งเงินแล้วเก็บทองสองคนนี้มาถึงบ้านครอบครัวก็ชมชายคนที่สองแต่ชายคนแรกกลับไปถึงครอบก็โดนพญาติพี่น้องด่าว่าโง่ คือรักษาจุดยืนถึงไร้สาระไร้สาระแล้วไม่มีประโยชน์พระองค์ก็พระเจ้าปยาศิก็เปรียบเหมือนคนเช่นนั้นคือเป็นมิจฉาทิฏฐิถือเรื่องที่ไร้สาระพอฟังคำของพระกุมารัสสปะปุ๊บเนี่ยพระเจ้าปยาศิก็เกิดศรัทธาแล้วก็ยอมมาหันหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่พระองค์ก็ยังทาทานไม่เป็นนะคือทำทานแบบไม่ปาณี เวลาทาก็ทาแบบขอไปทีงคือให้ของอย่างเรวเวลาถวายผ้าให้ผ้าให้ขอทานให้คนยากจนก็ให้แบบของใช้ที่เหลือเดน ข, ดขาดมัง่งเก่าๆบ้างเวลาให้อาหารแก่พวกสัมมาอาพามหรือถวายข้าวให้พระก็ถวายอาหารที่พระ อ, องค์ไม่ฉันน่ะอาหารแบบไม่บา น, นีหรืออาหารที่รสชาติไม่ดีมิชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอุตละมานพเห็นการกระทำพระ อ, องค์ตลอด ชาวนี้มีเป็นคนที่มีศรัท ธ, ธามากเวลาถวายอาหารพระก็จะถวายด้วยความด้วยความพอรบแล้วก็ถวายของปานี้ให้แต่เนื่องจากอยากสอนพระราชาเวลาถวายของใกล้ๆพระราชาเนี่ยก็จะอธิษฐานด้วยเสียงดังๆบอกเกิดชาแน่ฉันใดขอใเข้าไปเจ้าอย่าได้พบกับพระเจ้า ป, าปยาสีอีกเลยขอพบชานี้ก็พอแล้วทุกครั้งที่ ท, ที่ทําบุญอธิษฐานแบบนี้ จนฟาร์มไม่รู้ไปถึงพระเจ้าปรรยาสิพระเจ้าปรรยาสิก็บอกว่าลังเกียดเรามากขนาดนี้เฉลือุตระมานพก็บอกว่าหาไม่ได้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์เนี่ยทําทานด้วยฟาร์มไม่เคารพซึ่งข้าพระเจ้าไม่ชอบเลยข้าพระเจ้าเจือดิษฐานว่าชาติหน้าอย่าเจอพระองค์อีกเลยและจะไม่คิดครพระองค์ด้วยพระเจ้าไปสิท่านก็เป็นคนใจกว้างนะท่านก็ไม่ลงโทษอุตระมานพ ท่านก็มาตองดูเอ๊ะก็จริงเราเราทานทําทานด้วยความไม่เคารพก็เลยตั้งให้อุตรามานพเนี่ยเป็นคนดูแลโรงทานของท่านแล้วก็ถวายอาหารดีขึ้นอุตระมานพก็รับหน้าที่นี้เวลาถวายอาหารให้พระแต่ก็ถวายดีกว่าพระรายทานนะเพราะว่าท่านอุตระมานพนิสตามากกว่าคือว่าพระเจ้าใบอสิเป็นเจ้าของทานจริงแต่เวลาทำํำก็ไม่เคยมาใส่เองให้ไปขอไปทีอยู่ดีคันตายไป พระเจ้าไปลายศรีก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นจาตุมคือชั้นต่ําสุดของสวรรค์หกชั้นแล้วก็อุตละมานพเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นเดาดึงซึ่งสูงกว่าชั้นจาตุมมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารมากมายส่วนของพระเจ้าไปลายศรีเนี่ย ก, ก็ไม่ค่อยมียศแล้วก็ไม่มีบริวาร เป็นวิบานที่ยักษจนมาตอนหลังเนี่ยเทพปบุติปยาสีเนี่ยเห็นพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระขวัญปติเดินทางมาก็เลยมาปรากฏกายแล้วบอกให้บอกให้พระเถระเนี่ยช่วยประกาศด้วยบอกให้เวลาญาติโยมทําทานเนี่ยให้ทําด้วยความเคารพให้ทําในในของที่ชอบเราชอบอย่างใดเราก็ทําอย่างนั้นอันที่จะมีอนที่สง ให้ดูให้ดูอย่างข้าพเจ้าซึ่งขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ชั่วไม่เชื่อบุญบาปมีนรกสวรรค์มีคันเวลาทําทางก็ทําด้วยความไม่เคารพแล้วก็ถามพระเถระเขาบอกเขาปฏิว่าแล้วอุต ร, รมามนุปไปอยู่ที่ไหนพระเถร ะ, ะมองดูด้วยด้วยฌานก็รู้ว่าอุต ร, รมามนุปไปอยู่ดาวดึงก็เลยบอกเทพบุตรปยาสีไปว่าอุต ร, รานุปเนี่ ย, ย เป็นแทบบุตรอยู่สว่นชั้นดาวดึงมีบริวารมากมายเลยชีวิตเสพสุขสำลังเรื่องนี้ก็จบแล้วก็เรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะเพราะเวลาเราทำบุญเนี่ยถ้าเราตั้งจิตศรัทธาเนี่ยเราจะมีที่ส่งมากกว่าคนที่ทำแบบขอไปทีเพราะบุญเกิดจากจิตศรัทธาเกิดจากใจคือถ้าเราทำแบบขอไปทีเนี่ยเราก็ได้บุญไม่เท่าไหร่บุญสาเร็จด้วยใจ อย่างเมื่อวันก่อนอรมาก็เขียนนิทานลงในเฟซบุ๊กอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องขอทานคือนิทานเรื่องนี้ก็มีแง่คิดดีตรงที่ว่าวิชัยคนหนึ่งชื่อว่าลุงลุงมีลุงมีเนี่ยแกเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและทัาออกไปนอกบ้านทีก็จะพกเศษสตังเต็มกระเป๋าเลยทั้งสองข้างมีคนถามว่าไปทำอะไรลุงมีก็ตอบว่า เอาไปให้พวกขอทานที่น่าองสารแล้วแกทำนี้ทุกวันทํานี้ตลอดว่า แ, แกเป็นคนมีฐานะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีข่าวโทรทัศน์ออกมาคึ้โคมเลยว่ามีพวกแก๊งมิจฉาชีพหรือพวกมีทิพยเนี่ยจับเด็กมาทรมานแล้วบังคับไปขอทานในที่ต่างๆเพื่อเอาเงินมาให้ตนแล้วทางโททัศน์ก็ประกาศบอกให้ประชาชนเนี่ย อย่าส่งเสริมหรือให้ให้ทานขอทานเหล่านี้เพราะเป็นการส่งเสริมคนทําชั่วแต่ลุงมีก็ยังทําอยู่ตลอดจนมีคนมาถามว่าลุงไม่ได้ยินข่าวที่ออกโททัศน์เหรอือลุงมีก็ตอบว่าทําไมข้าจะไม่รู้ข่าวคือโคลนขนานั้นแต่ที่ข้าทําเนี่ยสมมติว่าข้าโดนหลอกทั้งเก้าครั้งทําคือทำสิบครั้งแล้วโดนหลอกทัเก้าครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มีคนเดือดร้อนต้องการเงินเนี่ยไปไปซื้ออาหารประทางชีวิตจริงๆเนี่ยคากว่ามันคุ้มนะโดนหลอกเก้าครั้งก็ไม่เป็นไรทึ้งเรื่องของลุงมีก็จบแต่ว่ามีแงคิดตรงที่ว่าลุงมีนีะก็ไม่สนใจเพราะเงินนี่เป็นเงินแกแล้วการทําบุญเนี่ยเราจะมาคิดเรื่องเล็กๆน้อยไม่ได้เพราะการคิดเล็กๆน้อยเนี่ยบุญก็ไม่เกิดอเรื่องที่จะขายแตมาเวลาปล่อยปลาเวลาแตมาไปเดินปิจบารเนี่ยแตมาเห็นรถปลาแตมาจะซื้อปล่อยตลอด บางทีอาลมาก็โดนตาหนิเหมือนกันว่าซื้อบัตรไม้เดี๋ยวปลามันก็โดนจับมาขายอีกถ้ากขาส่งเสริมส่งเสริมให้คนเนี่ยจับสัตว์พวกนี้มาขายซึ่งอาลมาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาลมาช่วยเขาเฉพาะหน้าแล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นสัตว์จะเป็นปลาดุกหรือปลาอะไรอาลมาเห็นมีชีวิตเลยมาซื้อบนอ่ะจุดประสงค์เราคืช่วยชีวิตเขาแต่ถ้าเราไปบัวคิดโดยคนนั้นคนนี้ว่าเราคิดไม่อยากซื้ออันนี้ก็ไม่ถูกต้องกลายว่าเราชีวิตเราคอยตามคนอื่นเวลาทําความดีเนี่ย เราต้องเป็นตัวของตัวเองสิ่งไหนดีเราก็ต้องทํานั้นบุญยังไม่เกิดเลยถ้าเราเปจิตใจที่วิตกกังวลเวลาทำความดีมาคิดเล็กคิดน้อยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะว่าบรรดาสัตว์เนี่ยต่างๆก็รักรักชีวิตเหมือนเราเนี่แหละเราช่วยเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอัตมาก็ไม่ระวังบุญจากพวกพวกันนี้นะแต่เราเห็นเขาเนี่ยว่ายลงน้ํามีสละคือถ้าเราไม่ซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็ เขาต้องตายอ่ะต้องหลังเลือดสังเวยกมมีดถูกคนจับไปแกงมันก็ทามาตลอดจนชินแล้วเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่ซื้อเงินเงินไม่ค่อยมีอ่ะถึงไม่อยากไปซื้ออันนี้เรื่องช่วยไม่ได้แต่ถ้าเงินมีแล้วจังหวะพร้อมเราก็จะช่วยช่วยชีวิตเขาการทําบุญไม่ใช่หมายถึงว่าต้องมีเงินถึงทําได้การทำบุญมีถึงสิบวิธีนะอย่างการให้ทานแล้วก็รักษาศีล ภาวนาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขวนขวายแล้วก็แบ่งปันความดีแผ่เมตตาแล้วก็อนุอนุโมทนาบุญแล้วก็ฟังธรรมแสดงธรรมแล้วก็ทำทิฏฐิให้ตรงทำความเห็นให้ตรงอันนี้เป็นบุญหมดเลยอย่างค่อยเราทำง่ายคือช่วยเหลือขนขวายเนี่ยเวลาเรามาวัดเนี่ยเราเห็นใบไม้ เห็นต้นไม้ล้มเห็นกิ่งไม้หักเกิด ก, การเราช่วยฝาดเนี่ยเราก็ได้บุญละเห็นขยะเราก็เก็บไปทิ้งเห็นห้องน้ําสกปรปกเราก็ช่วยกันทำความสะอาดอันนี้เป็นบุญหมดเลยถ้าเราทําเป็นนะเราสามารถทําบุญได้ตลอดเวลาเราเห็นคนอื่นทําความดีเนี่ยเราก็อนุโมทนาบุญด้วยสาธุอันนี้สาธุจนเป็นนิสัยเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยนะทําง่ายเราเห็นคนทำความดีเนี่ยเราก็ไม่สงสัย ในความดีของคนที่ทําเนี่ยแล้วก็สาธุทุกครั้งจนติดเราก็ได้บุญเหมือนคนที่ทำไปแหละแล้วก็แบ่งปันความดีคนอื่นนี่ก็ทําง่ายเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็ชวนคนอื่นมาทําด้วยทําให้คนอื่นได้ทําความดีด้วยแล้วเราก็มีความสุขด้วยอันนี้ทํำง่ายอย่างโยบฟังธรรมนี่ถ้าตั้งใจฟังอะมาพูดเออมันได้บุญนะเพราะการฟังธรรมเนี่ยมีบุญห้าประการคือหนึ่ง ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเวลาเราเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็ได้ได้ยินแจ่มชัดยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็สามเนี่ยบรรเทาความสงสัยอาจจะสงสัยเรื่องนู้เรื่องนี้พอฟังอาจจะเกิดปิ๊งขึ้นมาก็ได้หายสงสัยแล้วก็สี่บางทีขณะที่ฟังเนี่ยเรากบ็บางครั้งเนี่ยพวกนิวรณ์มาเข้าไม่ได้นะจิตผู้ฟังเย่อพองสายหัวเหงาหานอนหรือคิดอะไรไม่ดีเนี่ยพอฟังเรื่องบุญกุศลเนี่ย เราก็คิดดีด้วยคือน้อมจิตไปทางกุศลแล้วก็ห้าเนี่ยก็คือทำทิฏฐิให้ตรงความเห็นให้ตรงอาจจะเคยมีความเห็นผิดว่าบุญบาปไม่มีชาติหน้านรกสวรรค์ไม่มีนพอฟังแล้วกเกิดศรัทธาเชื่อใน ค, คุณงามความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เกิดกุศลถ้าเราเสามารถไปแสดงทรรได้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นพระอย่าพวกโยนเนี่ยไปเจอคนกาลังเสียใจเราไปปลอบเขาบางคนอกหัก ไปปลอบให้เขาอยากฆ่าตัวตายเลยอย่ากคิดสั้นยังมีคนที่รักเราอยู่มากมายโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆอยู่มากเราไปพูดด้วยเขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดเนี่ยเราก็ได้บุญละหรือไม่คนกาลังทุกข์มากเศร้าเสียใจโดนเพื่อนว่ามาหรือโดนพ่อแม่ด่ามาหรือทําเงินหายเนี่ยเราไปูดปลอบใจจนเขาคิดได้เนี่ยของหลายไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ของเราอย่าหาใหม่ได้อย่าไปเสียใจเลยอะไรเงี้ยปลอบจนเขาเห็นความจริงเนี่ย จนเขามีกําลังใจอันนี้เราก็แสดงธรรมนะให้กําลังใจคนที่ท้อแท้ไม่สู้ชีวิตให้เกิดมีกําลังใจสู้ชีวิตต่อไปพวกเราแสดงธรรมได้หมดอ่ะหรือไม่ก็ให้ความรู้แก่เด็กให้ความรู้คนไม่รู้แจกหนังสือธรรมะแจกซีดีนี้อยู่ในข้อนี้หมดเลยการแสดงธรรมแต่ข้อสุดท้ายสําคัญมากคืออย่าช่วยทำความเห็นให้ความเห็นให้ตรงเนี่ยทําความเห็นให้ตรงมีสมาธิ คือเห็นทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์เนี่ยข้อที่สําคัญมากเพราะคนเราเนี่ยจะมีทิฏฐิที่ผิดคือเห็นแบบเห็นโลกแบบบิดเบือนคือกิเลสได้เห็นว่าโลกเนี่ยเป็นของเที่ยงแล้วก็เห็นเห็นความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนนะคือเห็นความไม่ใช่บางทีคนเราไปยึดว่าเนี่ยตัวกูนะที่ของกูนะที่จริงมันไม่ไม่ใช่หรอก ตุกคนเราเป็นของสมมุติทั้งหมดแหละแล้วก็เห็นของไม่งามเป็ของงามอันนี้จิตมันจะบิดเบือนแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาทําพื่อเห็นได้ตรงว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวจริงๆเป็นสิ่ ง, ส, งสมถึงที่สมมุติเป็นธาตุตามธรรมชาติชื่อเราเป็นของสมมุติทั้งหมดเป็นนายนู่นนายกอในขอต่างๆเนี่ยเ ป, เป็นสิ่งสมมุติแต่ลองตั้งชื่อตามสมมติบัญยติของใช้ก็เป็นของสมมติทั้งหมด ตั้งชื่อนู้นชื่อนี้โตเตียงเก้าอี้อะไรจริงมันมันตั้งชื่ออื่นก็ได้ไม่จาเป็นหรอกแต่พอเราไปยึดไอ้นี่ไอ้นี่ชื่อนี้นะไอ้นี่เป็นอย่างงูอย่างงูไปอย่างนี้นะจิตมันก็มีอุปทานอย่างตอนเราสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือคาที่ว่าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอันเนี้ยเพราะว่าธรรมดาขันห้าหรือเสียงต่างเนี่ยมันไม่ทุกข์ก็หลายหรอกแต่ถ้าเราไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูเมื่อไหร่มันก็ทุกคือแบบ อุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกคือคื อ, ค, อคือสิ่งที่สำคัญตอนเวลาทำบัตเช้าเนี่ยจะสวดทุกวันทุกวันเนี่ยตรงเนี้เพั้นการทําบุญเนี่ยจึงมีหลายวิธีไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปเราสามารถทําบุญได้ต่อเวลาเราภาวนาเนี่ยก็ถือว่าทำบุญแต่การทอ น, นาเป็นการทําบุญสูงสุดนะการที่พวกเรามาเจอสติเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพั้นพวกเราก็อย่าอย่าละทิ้งตัวนี้ก็แล้วกันเจริญสติไปห้างมากแล้วมันจะเกิดลิสง์สามารถออกจากกองทุกได้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 ยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังลังเกียรเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคลงกังขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจงเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีขอฝากสุขความเจริญทำจงมีแก่ทุกท่กทาง